พวกแกเคยได้ยินได้ฟังเรื่องกาลเทศะครับเคยได้พูดเคยได้ฟังคุณหเ่ว่าไม่ใช่เลย อ, อกาลเทศะมายถึงไหไกาลการนี้ขน า, า น, นี้เทศสถานที่นี้ท่านทำยังไงดูตัวอย่าง ้าตรงฆองค์เจ้าเนี่ยท่านแสดงความเมาไหมพวกในข้าวนางชีและ ย, ย, ย่อญาติโยมในวัดแสดงความเมาไว้มารยาทนะพระเนรนั่ยเข้ามาจะานที่นี่ทุกอง น, นั่งเงียบนิ่งฝึกทำความสงบ มีตาใช้ตาเป็นประโยชน์ศึกษามีหูใจ้หูเป็นประโยชน์เรามาศึกษาเรามาฝึกเรามาศึกษาไ ม, ม, ม่ได้เลยสถานที่พวกแกนศึกษาสถานที่ทำงานอบรมก็เป็นแบบ น, นี้ใจ ก็บมาเรเซลล์อ ย, อยู่กันแหะเข้าสถ า, านที่ศึกษาเข้าสถ า, านที่อบรมเด็กแต่ก่อนเราเป็นนักเรียนเนี่ยไม่มีในแบบนี้ไม่มีนะนเขาเข้าห้องเรียนเงียบฟังครูฟังครูฟังอาจารย์ท่านบอกท่านสอนอย่างไร สมัยก่อนมัน <c oughs> มันอยู่ในลักษณะของศิลสมาธิปัญญานักเรียนนักศึกษาสมัยก่อนโดยลักษณะของศิลอย่างไงรเมตญาติเรียบร้อยตั้งแต่เข้าแถวเรียนประถมน่แหละร้องเป็นชาติ เวลาขึ้นห้องเรียนก็เนี่ยก็เดินเป็นแถวไม่ได้แตะไม่แยกกันแล้วอนกีก่อนพอเข้าห้องเรียนก็เนี่ยมีห้องส่วนรวมมตากพระไหว้พระก่อนเสร็จแล้วก็เงียบก็เนฟังโค ท่านสอนวิชาใ น, ะนลักษณะของเอวาริย่าเรียบร้อยลักษณะของศีลขืนศีลคือความเรียบร้อยนะไม่คุยกัน <c oughs> นั่นแหละต่างคนทั้งผู้หญิงผู้ชายรักษาความสงบนั่นก็คือฝึกสมาธิสมาธิคือความสงบนะรู้จักปฏิบัติตัวอย่างนั้นนะคือปัญญา ดีทั่วผิดโูกก็บปร่วมกันทุกวันนีงสอนกันยางไงไปดูนะสอนให้นักเรียนนักศึกษากล้าแสดงออก <c oughs> ปาด้ไอทีสแสดงออกมารยาทที่สแสดงออกนั่นแนหะเม่อยานนิดเดียวเน่ยหลวงพ่อรับไม่ได้นะ สถานที่มีมรยาญาติเรียบร้อยสถานที่รักษาวความสงบคุยกันเจ้ามันเนี่ยวิงขี่เล่าก็น่าจะดูพระดูแนนทัานมาและทัานนั่งไงแม่ขาวนางเคียร์ญาติโยมประจำวัดอยู่ยังไงพระญาติชี่เล่ารึเปล่า ท่านฝึกมารยาทความเรียบร้อยลักษณะของศีลมารยาทความสงบลักษณะของสมาธิถ้าเผื่อจะ <c oughs> เรียนเ้าไปเป็นตัวอย่างเหมาะอย่างยิ่งสาหรับการมาฟังมาสวดจำเสียวเวลา ถ้ามัสนใจเรื่องไม่เบียดที่ันเป็นประโยชน์กับขามกลางสังคมแล้วก็แล้วันเหนื่อยเหมือนกันนะมันไปนติดของฉันมันไม่ติของผมเสียก็ใช้อยู่ควมไหมเสียจะใช้มารูจักกาละเทศะเพราะสถานที่ท่านฝึกความจุบกเรียบร้อย มรยาทเรียบร้อยสมาธิคือความสงบดูพระดูเนนดูไม่ขาวนางชีญาโยมประจำวัดไนไหนมาเรียนตัวอย่างจากท่านมาาไม่ใช่หรอทำไมไปไปลงหนังลงนคร ระดับนี้การศึกษาระดับนี้แล้วนะเกี่ยวกับมรารยาท <c oughs> เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจรู้จักกาลเทศะมันไม่ใช่เด็กสามขวบสี่ขวบเออ้าเด็กสามขวบสี่ขวบอี่เพื่เรื่องนั้นภาษาเด็กอันนี้หนักทำข้อปฏิบัติดว่า ให้มาตั้งใจฟังตั้งใจดูเรียนรู้ตั้งใจฟังตั้งใจดูอะไรยกตัวอย่างเรียนรู้เรื่องของใจใจมีสามระบบใจนี่แหละใจคือความรู้มันมีลักษณะอยู่สามอย่างอย่างหนึ่ง โตเองไม่เป็นใจนะฉะนั้นยังมีพ่อมีแม่มแมปู่ย่าตายายมีครูมีอาจารย์เอาสิ่งที่ถูกต้องเหมาะแจ่ความรู้ที่จะยืย่นเข้าไปบรดวงใจให้ใจในรับความรู้และใจมันจะโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นอะตัวน่ ส่วนร่างกายนั่นนะโตรวดวไปใจดีส่วนจิตใจมันโตว้วยความดีตวได้เหตุด้ดยผลพ่อแม่มีตบประการปู่ย่าตายายมีตบประการครูอาจารย์มีตบประการความดีที่มีตบประการที่ถูกต้องสอนโลกสอนหลานสอนลูกศิษย์เอาความารู้เข้าประงใจเนี่ย ให้ใจมันโตขึ้นโตขึ้นโตเพึ่ น, นถ้าพ่อแม่ไม่ได้ึกษาทางที่ถูกครูอาจารย์ไม่ได้ติษาทางที่ถูกก็อย่างบ้านเดียวเอาอะไรเขา้าส่งเข้าบูรุงจิตใจลูกสิษยลูกหาคนไม่ลูกเอาอะไรตรงเข้าไปบูรุาจิตใจลูกหลานคนไม่ลู้ แ, แต่นั้ น, นส่วนมากมันโตแต่ร่างกลายยิตง ใ, ใจไม่โตแต่นั้นจึงมีการมาฟังมาฝึกถามหวังความดีความสงบถูกในชีวิตและอนาคตนั่นแหะเพราะให้ใจิตใจมันรับรู้เอาความรู้ที่ดีที่ถูกเข้าบระุงใจประดุงใจบระุงใ จ, ง ใ, จ, ง ใ, จให้ใจมันโตขึ้นโตขึ้นมีสติมีปัญญามีสติมีสมาธิ มีปัญญารู้ตัวรู้ตัวรู้ตั ว, ตวอะไรควรอะไรไม่ควรมันเข้าใจกาละเทตะเป็นเหมือนอย่างที่ว่ากาละการเนี่เราอยู่สถ า, านที่ใดลองบาในเลยครับเพือนฝคือร้านอาหารที่เราเมาอย่ากเทตะสถานที่เดียวพว ก, กาะโบราณ ยินได้ฟังทงนั้นแะเนี่ยพูดได้ท้งนั้นแนะแต่มันพูดได้แต่ปากเดวมันรู้จักความหมายถ้าพูดได้แต่ปากมันไม่รู้จักความหมายพจต่างกายการอะไรกันนกแก้วทุกคนดองแมันพูดได้เเจ้าแจแต่มันเข้าใจความหมายเจ้า จ, จามันนะนะเข้าใจความหมา ย, ยเปล่า ทํายังไงนอกจากใจมันโตเองไม่เป็นและใจนี่มันแก่ไม่เป็นจริงๆดังนั้นผู้มีพระคุณสอนสอนเอาความียื่นให้เพื่อที่ให้ใจิตใจมันโตขึ้นอันดับต่อมาใจมันแก่ไม่เป็น อายุห้าสิบหกสิบเจดสิบชาวบ้านเขาเรียกคนแก่แล้วลองไปถามเขาคุณพ่อคุณพ่อคุณแม่คุณแม่หรือคุณตาคนยายอายุหกสิบเจบเยอเขาเรียกคนแก่แล้วใจของท่านแก่ไหมแก่ตามลุ่มละไหมลองไปถามเลย ไมจะถามหลวงพ่อันนาะเนี่ยถ้าพูดอายุหลวงพ่อมันเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าเขาเรียกคนแก่แล้วพักแก่แล้วหลวงพ่อหลวงตาแล้วส่วนใจหลวงพ่อเนี่ยไม่ได้แก่นะยังหนุ่มใจหนุม่มอยู่งั้นแหละแล้วลองถามให้หลวงพ่อหลวงตาที่นั่งอยู่เนี่ยอายุมั่งมา ก, มาก ปกติแติดตรงสาขาถามที่เอามรณาที่ามที่นี่นอกจากแก่ไม่เป็น่ันใจที่ตายไม่เปลนมันอยู่ในรูปร่างกายได้แต่เพราะอาศัยลมลมเข้าได้ลมหายใจออกได้เข้าได้ออกได้ เกียจใจมัหยดร่างกายนี้ได้ถ้ายัางมีลมหายใจอยู่จะป่วยทางขนาดไห น, นเขาจึงรักษาย <c oughs> อยู่หยดลมลมหยดเท่านั้นแหละไม่จาเป็นจะหลายชั่วโมองเลย <c oughs> ไม่จำเป็นเร่งอะไรมากหยดลมหายใจเลย ใจดวงนี้ดูในรูปร่างเมื่อใดห น, นีออกจากรูปร่างภาษาธรรมเราจุติเคลื่อนออกเคลื่อนออกนี้ภาษาจาโก จ, กจกะวาดว่าตายภาษาธรรมจุติเคลื่อนออกที่ใจดวง น, ใ น, ในี้ภายใต้ความตจำเลิกส่วนลิกของหัวใจนั่นแหะ มันเป็นตู้เซฟแบบธรรมชาติเอาอะไรเจ็บไว้ในนั้นเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่พวกลูกหลานนำมาใช้นะ่ะเอาข้อมูลอะไรเยอะหนมันเจ็บไว้มันก็เจ็บไว้เจ็บไว้เจ็บไว้ใจของพวกเราศึกษาเรื่องอะไรไว้ ถ้าศึกษาเรื่องไม่ใช่เรื่องมันก็แสดงออกความโง่ความเซ่มันก็เจ็บไปเจ็บไปเจ็บบไปดงที่ไหนความไม่ไดีนโง่เซ่อๆันก็ดงที่ไหนก็ผิดที่นั่นลยเ่ยยงไปทำความชั่วเป็นบาปตัเนี้ยทำความไม่ไดีนเป็นบาป ของตัวเองเป็นูเท็บเจ็บผลความเป็นบาปเอาไว้บาป ก, ก็บพงเท้าบากเป็นไรปากควมเป็นกุกเกิดขึ้นมาที่มองเห็นตนเห็นตัวเกิดมาเป็นคนอยู่ถ้าถ้าเกิดเป็นคนถ้าบาปมากบุญ น, น้อยเคยเห็นไม่ใช่หรอ หูหนวกตาบอดแขนกดขาปวดขาด้วนง่อยเปียเสียขาเคยเห็นมาเช่นบุคคลเหล่านั้นเป็นทั้งหญิงทั้งชา ย, ยานั่นแหละพวกไวโครคไว้หลานคิดอย่างไรตรงนี้แล้วเขาอยากเกิดมาเป็นอย่างนั้นแล้วพ่อแม่เขาอยากให้ลูกมาเป็นอย่างนั้น อลองตั้งใจพิจารณาตั้งใจเคาะคิดดูสิครั้เห็นแล้วเฉยถ้าเห็นแล้วเฉยมันต่างกันเลยกับพวกสี่ขาเนี่ยฮะเห็นแล้วเฉยเห็นแล้วเฉย ี่ <c oughs> ความสำนึกกลุกความสำนึกในการดูการรู้การเห็นจากจา ก, จา ก, การศึกษาการดูเออสิ่งเหล่านี้ทำไมมันจะมาเป็นแบบนี้ เ, นบบนเกิดมาลักษณะนี้ภาษาเรายัางเช่คนที่หน้าทรดสังเวชโอ้ยหน้าเมตตาสงสารเขาแฉกรรมเวรอะไรเขาเนากรรมเวรอะไรกขานากนะานาก็บ้าอยู่นะ่ะ อันนั้นเ็ภาษาความจริงภาษาธรรมท่นสอนว่าบุญเขามันน้อยเกิดมาเป็นคนอยู่แต่บุญมันน้อยบุญคือความสมบูรณ์ในชีวิตน่มันน้อยส่วนเป็นบาปนั่นน่ะมันมาก จะเกิดมาเป็นบุคคลอย่างนั้นทุกยากและบาปกากรรมหายเช้าเย็นเย็นแทบจะไม่ไหวไม่มีอยู่แล้วใครอยากเกิดมาทุกยากแบบนั้นเอาใครจะเกิดมาทุกยากแบบนั้ น, อ, อ, บบ น, นอันนั้นอาเนยสงการทําความดีบุญทําบุญทําทานเขาไม่มีมีก็มีน้อย แั่นน่ะ น, น, นักศึกษาใบโลกใบหลานให้ศึกษาความเป็นธรรมชาติอย่างใบโรคใบหลานใส่บาตเนี่ยไอช้อนตัดช้อนเดียวก็เจียงโย่ข้าวเม็ดเดียวน่ะไปเพาะไปปลูกขึ้นมันเกิดขึ้นมาต้นเดียวเวลามันออกงวงมันมีเม็ดเดียวหรือเปล่านะ เวลามันออกรวงมีเม็ดเดียวหรือเปล่าอย่างลูกไม้มะม่วงขนุนอะไรนั่นน่ะเอาเม็ดไปเพาะมันจะเกิดขึ้นมาเป็นต้นเวลามันโตมันออกผิดด อ, อกปอดขมันมีลูกเดียวหรือเปล่าเะ แนะนให้สนใจศึกษาความเป็นธรรมชาติไปเห็นได้บุญตรงไหนกับเพาะไม่เข้าใจเหตุผลวิเคราะห์ในเหตุผลพราะหลักคำสอนเป็นหลักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ในเหตุผลสมมติว่า เอาลูกหลานไม่เคยทำบุญใจบาดนึกได้ไดั้ยเอาเนึ่ไดไหมเนิ่ดเห็นไหมเนึกไม่ได้นึกไม่เห็นอันนั้นแหละความสมบูรณ์ในวัตถุสมบัติในชีวิตอ่ะมันจะดีได้ยังไงเพราะเนึกขึกนดมามันเนึกไม่ได้ทำไมจะนึกไม่ได้ก็เพราะไม่ได้ทำเอาไว้ถ้าเราได้ทำหนึ่ง ฟังเชื่อเหตุในผลลักษณะนี้เลยเราทำ บ, บุญแต่ละครั้งแต่ละครั้งพอเนื้อตบมาเห็นเนื้อขึ้นมาโลกเนื้อเห็นเนื้อโล่ดล้วโลที่ไหนทสเนี่ยคือการกระทำนั่นน่ะผลตรงนั้นมารวมไว้ที่ใจใจกลายเป็นตู้เด็บเจี๊ยบไปแล้วใจนื้ขึ้นมาเนื้อเห็นเนื้อโลกแต่พาะใจของเรา มีก็จักและเจตนาทําแล้วมันนึกกต่มันนึกแตเห็นนั่นแหละก็าก็ใจของเราเป็นสั่งให้กายของเราทําถ้าเราไม่ได้ทำด้วยเนี่ยเนื้อตัวไรมันเป็นเรื่องผิเห็นเลื้อไม่เห็นเนื้อไม่มีกับประยชนที่ใดมันก็นมีแต่ความทุกข์ความโศกอะไรทีเดีย ถ้าเน้ถึงความดีไม่ได้เพราะใจมันตายไม่เป็นเข้าท้องสัตว์อะไรฉานดิเนี่ยเข้าท้องวัวท้องควายเกิดมาเป็นลูกอะไรอ่อนเข้าท้องหมูท้องม้าเกิดขึ้นมาเป็นตัวอะไรเข้าท้องเป็ดท้องไก่เกิดมาเป็นตัวอะไรอันนี้ตัางหาไม่เห็นคุณค่าจากคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนสมบัติมนุษย์สมบัติ พวกเราเกิดกันมาเพราะนี่ชาตเนี่ยอา่านสมบุญอดีตชาติที่เราทำไว้นะอันถ้าเผื่อพวกเราไม่ได้ได้ยินได้ฟังไม่ได้เชื่อนักกา ร, รักษณะเนี่ยบางลทีบางศาสนาก็สอนว่าอะไรทุกอย่างเทพบันดาลพระเจ้าบัรดาลพระเจ้าสร้างโลก เคยได้ยินมาเจอแบเนี่ยพระเจ้าวนบรรดาในเกิดพระเจ้าสร้างโลกโลกกระหมูสัตว์แต่มนุษย์นี้แล้วหลวงพ่อฟังหลวงพ่อศึกษาแล้วมันงงนะมันจ้งใส่นะจ้งใส่อย่างไงลองไปโลกเวลานดีพอจะจ้องใสเหมือนหลวงพ่อหรือเปล่า ถ้าพระเจ้าสร้างโลกสร้างมานุษย์ได้เนี่ยคนทุกคนยากหรือบาปปากรรมสร้างมาทําไมฮนไม่ต้องสร้างก็เลยหูดวงตาบอดแขนปุดขาด้วนเนี่ยสร้างมาทำไมไม่ต้องสร้างก็เลยเนฮ่สมมุติถ้าพวกเจ้าเป็นพระเจ้าเนเอา พวกคนเป็นพระเจ้าจะสร้างมาไหมเหรนั้นคนประเภทนั้นสร้างมาไหมอันนี้เหตุผลมันฟังแล้วมันมันจะไงอย่างไรในความต่ำเนืกอของเรานะเน่ดี๋ยวพวกพวกลูกหลานจะเชื่ออย่างนั้นเชื่อก็เชื่อมีเหตุมีผลมันซึงหน่อย เพราะหลักคำสอนทุกวันเนี่ยหลักคำสอนพุธศาสตร์าสนาศาสนาเป็นหลักคำสอนที่ตรงประเด็นกับหลักวิทยาศาสตร์โลกทุกวันนี้ทั่วประเทศทั่วโลกนะ่ะเขายอมรับเรื่องวิทยาศาสตร์เียดผลของวิทยาศาสตร์นำมาใช้ด้านวัตถุ ผ่้โลกก็ยอมรับผลของวิทยาศาสตร์ที่เข้ากับวิทยาศาสตร์ได้สมบูรณ์ตะเคอพุทธศาสตร์ศสนาเพื่อสอนเหตุสอนผลนะรัฐีดอกนั้นศาสนานอกนั้นล่ะที่เราดูเราศึกษาล่ะมันจะทาความเชื่อจงใจล้ว มันไม่มีจิตาทิใหสนใจศึกษาต่อไปอีกแต่เราจะมั่นใจหลักพุทธศาสนาเชื่อเอะไอหลักคำสอนทางพุทธศาสตรนาเชื่อเถอตรงเนี้ย <c oughs> ควรจะศึกษาควรจะตั้งใจวิเคราะห์ในเหตุในผล บุญคือความสมบูรณ์ในชีวิตชีวิตของมนุษย์เรามีอนาคตถ้าเราทำเหตุถูกต้องเพื่ออนาคตไม่ผิดแน่บทกฎหมายไม่ผิดหลักศีลหลักธรรมไม่ต้องอ้อนวอนเรื่องอะไร พรนีที่เกิดขึ้นเรื่องอนาคตเป็นไปเพื่อุขสมบัติแน่นอนอันนี้เรื่องสำหรับเรามองเห็นเกิดมาพบภูมิที่มองเห็ น, หนตัเจติและฉานในน้ำบนบกอันนั้นเขาเนึนถึงความดีไม่ได้ น, นั้นเพราะเขาไม่ได้ทาไ้เกิดมาเป็นมนุษย์หน้าจะรดสัง่งแม่แนะกา ความดีเขามันมีน้อยผลความชั่วมันมีมากจะได้เมื่อมาศึกษาเรื่องใจเรื่องจิดเรื่องจิดเรื่องใจอย่างเนี้ยมองดูใจตัวเองมีตัวมีตนมไหมเอาลองตั้งใจหลับตาดูใจใจมีตัวมีตนไหมมีโรปมีร่างไหม ลอยท้ง้อยใจที่ไม่มีตัวไม่มีตน ไ, ไม่มีลูกไม่มีร่างแต่ผลการกระทำมันปรากฏขึ้นตรงนั้นผลการทำดีทำให้ใจมีความสุขความสบายตอดตื้นยินดีนแฉงใจจิตใจดีจิตใจมีความสุขความสบายนี่ผลจากการทำดีทำดีทางที่ถูกทำถูกด้วยดีด้วยมีอะไรเป็นเครื่องวัด หลักสินรำเป็นเครื่องวัดถ้าผลทำความชั่วที่เนี่ยใจที่มันมีรูปร่างล่ะมันจะเกิดปัญหาทกทางใจทุกน้อยเลือดร้อนทางจิตใจน้อยทุกมากยิ่งหน้าตรวจสัญวท ถ้าใจออกจากรูปร่างของความเป็นมนุษย์นีเน่เราจะเป็นสงสัยอะไรอะ่ะโทุกเหมือนเปรตเหมือนผีกรใจดวงที่ไม่มีรูปร่างแล้วเป็นเราต้องใส่อะไรทุกข์เหมือ น, นตัตว์น ร, ร ก, นนรก ใ, รใจที่เป็นโทุกข์นี่เลี๋ยวแสดงลักษณะความเป็นทุกข์เหมือสัตว์นรก จะไปดูที่อื่นจะไปเห็นที่อื่นจะไปหาที่อื่นนะเราว่านรกเปตผีจุรกายดูอาการดูลักษณะของใจถ้าใจทุกพบกมากเดือดร้อนวุ่นวายมากจะไปต้องแต่อะไรเรื่องเปลี่ยนเรื่องผีเรื่องแต่นรกที่ัด มันก็ตกรอพังเป็นเนี่ยจะยังไม่ตายมันก็พุกอยู่แล้วจะไปต้องไต่อะไรประเด็นตรงนี้ลองมีคอเอาข้อเปรียบเทียบเคยนอนฝันไหมเจ๊เด็อนะลงพ่อถามลูกๆหลานๆทุกคนเคยนอนฝันไมเจ๊เด็ในขณะที่ฝันนาน มันอยู่ที่นอนไหมในขณะที่ฝันนะตัวอยู่ที่นอนไหมในขณะที่ฝันอยู่นะอนตัวของเราจริงๆมันนอนอยู่ที่นอนอยู่แต่ในขณะที่ฝันนะ่่ะมันไม่ได้อยู่ที่นอนนะมันปากดรูปร้างของตัวเองนี่แหละอยู่ที่อื่น มีหมูมีเพื่อนอะไรต่ออะไรร้อยแปดพันเรื่องอธิบายตรงนี้ให้พวกเราเดียหายจงใ่ว่าเออเนี่ยพบหน้าฉาดหน้ามันจะแดนถึงกายทิพย์อันนั้นกายตัวเองที่เป็นลูกเป็นรลานนอนอยู่ที่นอน ในขณะที่ฝันโน้มด้านของเราเนหละถ้าจะเรียกว่ากายเทพเปรียมื่อกายเทพก็เกิ น, นั้นแหละปากดถ้ายินดีในทางเที่มันเพียถึงยินดีทางที่มันบาปพอใจยินดีทางที่มันบาป ทำโพดแบบแพรไทยเธอได้ยินมาจะอย่าเห็นกงจักเป็นดอกบวออัวเน้อลูกเอ้หลานเอ้พูดพูดเป็นพ่อเป็นแม่ปู่ย่าตา ย, ยายนะอย่าเห็นกงจักเป็นดอกบวออัวเน้อ่ะกงจักเป็นสิ่งที่บุนทนทุกข์ทรมานกงจักขนาดท่านว่าไว้เป็นคติ มนุษย์ที่ทำลายผู้มีผู้คนมีบาปมากค้นจากนรกแล้วมาเกิดเป็นเปรตกงจับที่ดาบมันปักศีสัหมนอยด่งั้นแหละจะเจ็บจะทุกขจะเจ บ, จเจบขนาดไหนอ่ะขนาดมดตัวแดงแมงตัวเล็กกาดศีสาของเราเี่ก็จเจ็บลำคาญแล้วที่ดาบกงจกับ ปากลงศีรษะหมุนอยู่นั้นน่ะไม่นจะขนาดไหนออกเลือดไหลอาบลูกล่างลงมาทุกแสนทุกไม่มีอะไรเป็นเครื่องวัดว่าทุกมากทุกน้อยแต่ว่าทุกแสนทุกทนทุกทรมานแต่ไม่ตายนะฮะทนอยู่นั่นแหละแต่ช่วงระยะที่ เปรตัวนั้นอ่ะมันจะหมดผลบาปผลกรรมช่วงนั้นอ่ะจะมีเปรตตัวหนึ่งคนคนหนึ่งที่เคยทําบาปทาทั่วมาแบบตัวเองเนั่ยนะเขาจะมาจะเหยผลกรรมเหมือนตัวเองไม่เห็นไม่เห็นหลับฟ้าแต่มาสวยแท้ขอเถอะขอเถอะนะ ขอเธอคือสวยแทนเลือดไหลอาบมาตามตัวเนะ่เหมือนเครื่องกระดับไปเห็น น, นั่นน่ะเปรตตัวนั้นจ ะ, จะไปรับผลบาปเอเอเหมือนเดีเปรตตัวก่อนนั่น่ะขอเธ อ, เอขอเธอะมันก็งเจตนาดีเปรตตัวทนทุกข์ทรมานอ้าวจะมาขอทำไมรู้หรือเปล่าว่าอันนี้มันเป็นเครื่องผล ท, ทุกข์ทรมาน กงจะปักศีสามโหมดนี่มันคบทรมานจะมาขอไปทําไมขอทำไมออไโอ้ยขอเธออย่ากโกหกเธออย่ากโกหกเธอนั่นเรียนมาไปยินดีในสิ่งที่มันเผิด น, น่ะพอใจในสิ่งที่มันผิด น, นะอันนี้ตัางหากนะสํหาหรับผู้มีประพุทธเจตาสงสารไปยินดีพอใจในสิ่งที่มันผิดผิดศิลปผิดธรรม เหตุอย่างได้เหตุสิส่งสินงห้าเนี่ยไวรัสไวรัสนักศึกษาเนี่ยลองเอาสิ่งห้าไปเป็นเครื่องวัดจากบางครั้งบางขา่าวที่พวกเราไปยินดีเอาเหตุสิ่งห้าข้อไหนบางครั้งบางข่าวที่พวกเราไปยินดีนี่ยลองเอาสิส่งห้าข้อใดข้อหนึ่ไปเป็นเครื่องวัดโดูสิเอา จ้เาข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าที่เกิดความยินดีแั่มันผิดศีลข้อไหนถ้าล่วงเมิดศีลเนื่อนั้นคือมันเป็นบาปและอันนั้นแล้วควรไหมคืออยเราจะไปเช็ดไปทำอย่างที่มันเป็นบาปให้เกิดขึ้นกับตัวเองควรไหม อันนี้ตั้งหานะตั้งใจฟังตั้งจิตฟังให้มีจิตให้มีปัญญารู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวการนี้เวลานี้เราจะไปลักษณะนั้นไปทําอย่างนั้นควรไหมเพราะการนี้เวลาที่พะนี้ชาตินี้บุญพาเรามาเกิดเราหวังอนาคตควรไหมจะไปทําผิดศีลผิดธรรมผิดแม่บทกฎหมาย ฉะนั้นทุกที่นะเดแบบกาลาเทสเราควรน้อมมาทิจนาดูตัวเองอันนี้ตั้งหากที่ให้ฟังให้ฝึกให้ฝึกให้ฟังอยู่เนี่ยแล้วต่อไปจะนำนั่งสมาธิ ฟังรรมขององลุงตาต่อวันนี้ <c oughs> อ้าวเข้าที่ตั้งใจตั้งจตติจะได้นำนั่งสมาธิฟังทมข้อปฏิบัติจากเครื่องบรรทึกเสียงองลุงตาต่อไปที่เนี่ย เขตั้งใจให้ใจตั้งตั้งสติให้สติตั้งสติดูใจทําใจให้อยู่สบายสบายอยู่นิ่งนิ่งนี่นฝึกกันนะต้องการความสบายเราเนื้อถึงความสบายทําใจให้สบายอยู่นิ่งเนื้อพุโทโธพุโทโธแล้วก็ฟังเนื้อหาจากธรรม ท, ที่ท่านเทศน์ท่านสอนต่อไปทีเนี้่ การวัดความดุจด bon ุจจริงต่างกันต้องสุดละต่ำลงจริงจริงเว่อร์ต่ำที่เป็นคนเว่อร์ ทันดุตั้งเลยต้องทำยังไงต้องเดินดูต่อไปเดี๋ยวอันดุตั้งลยคำนโลมีป่านะคำนคือเป็นศานา เป็นเาที่เหมาะที่จะปฏิบัติงาาแค็นโลกนี้แต่ละบุคคลคเป็นเฉพาะส่วนหนึ่งแต่ส่วนใ่ เรามธรรมะโยคะมาเป็นเพื่ อ, อรกักษ า, าตัวเรารดกินอย่างกน่าดูไป้าถ้าไม่มีเพือป้องกันตัวย่อมม่ค่อยปลอดภัยแล้แลจะมีสมบันนติในานอะไงก็ต้อง เพื่องป้องกันรับาลเรื่องเาเองก็ตองเก็นนั้นหนึ่งนหากาวัเรื่องป้องกันตไ้กว่า่ตพิษเป็นกอันตราเกิดขึ้นการที่นั่นเรื่องเพื่อป้องกันตัวคีอว่า อัเป็นออืองการปลแต่กทิฟจะตัดให้มีเรื่อนป้องกันตัว เ, เพื่นั่งปมเครียดตัดแต่ละประเทศตระเทศมีเรื่อนป้องกันตัวทั้งหมดแอกตัดที่ไม่มีเพื่อมีปันขึ้นมนาหนี่เอ๊ะวิ่งอย่างนี้เขามีเด็กเป็นเพื่อนป้องกันตัวเราดูกานังเพื่อนแยกกอ เป็นผู้มีการศึกษาในทางการพิจัยจึงควร่า้มีเครื่องข้อการศึกษาที่เราครอบอย่างดีดูท่นทนานผู้มีฐานสนใจใกล้ชิดานะรู้จักนาเบียดเป็คนและใจ น, น, นั่งตึงงอตัวการจึงคจะมีเครื่องม้ อ, อาการศึกษาที่เร า, าเรียกร้องเครื่องมือการตัวนามีหนาเต็มและแต่เราแต่งงาน ม, มาตั้ ใหเ้เรานนกับเราเพื่อความปลอดภัยในร่างกายเราบ้างเรา้วรนำตงเป็นเรื่องชินต์ปักหรือรักษาตัวแล้วจะมีความปลอดภัยเช่นเราเป็น mm hmm. นักบวชศีลก็เป็นเครื่ อ, องป้องกันศีลขอ้เรถ้าเราพยายามรักษาศีออลไม่มีความบวมมีความระมัออดระวังคติ มีกรัญมีกระบวนารสิ่ทั้งมดจะพูดออกมาแต่ละคำให้มีเครื่องตัองการพูดสิ่งออกมาว่าการพูดแบันี้แต่ละประโยค่รือจะเป็นโค้ของ่เราต้อเกิดขึ้นจะทำสิ่งใดเลยเิไปต้องมีการค่อยๆถึิเหตุถึงเหตุอ เสิ่งใดทม่นังสั่งเนตุจะมีทำเครื่องป้องกันปิยาอาการเครื่องแบบัองตนทำประพฤกิุนแรงทำยุึงยื่นทำเครื่องป้องกันตัวเองจะมีความรักขึ้นการทำก็เป็นไปไความโดยถูกจับทำรันแ้าด้วยความขับขันไม่ประสบกระทั่มอะไรสิ่งใดจะเกิดขึ้นเพราะการทำนั้นได้ถูกเกิดตอนเลย ตารงานเป็นเครื่องพ่อค้าสนุนผู้ต่อมาทางานจะเป็นการกระตุ้นท่านผู้อื่นอย่างใดหรือไม่จะพ้องร่างนบบยิ่งเป็นผู้อือ่นัน้ง เ, าา เ, เดงหรือว่าเลือตัอ้งเพราะ เ, เป็นแค่ที่มีคุณค่าเป็นแค่ที่คนในแบบดนผู้ปราสนาเข้ารบเรือสามัญชาขาานาะสนุนที่ตลอดเลา เราจากถ้าคนที่มีคุณภาเพราะฉะนั้นสิ่ที่ระบายกับเราต้มีคุณภาพถือเพียทั้งหมดตละดการกรองให้ลูกเราเมื่อคุณ่นใเนี่ยล่วมออกมาจากคงให้เราที่มีคุณภาขอให้เป็นผล่ตแต่ข่านพูดเกี่ยวกับการจะทาอะไรว่าจะเป็นผลิตให้เป็นขั้นเพิ่มตั้งใจเปยนคนอื่นพูดออกมาทำไรครับ ให้มีเหตุมีผลมีหลักเกณฑมหมายว่าเราเป็นผู้หลักคำพิจารณนเรื่องผลสามารถจะวางคำพิจาขณาไั้หูทั้งฟังไปตารเหรุผลมีเพื่อนสมุนที่เราพู่กัการสูกข้าหในคำพิจาร่ามันก็เป็นการเทือนเรความสุขความที่กระเทือนี้ื่องความสกคือการกระทบยุบเกิดความขุ่นหาแต่เป็นไป เป็นอันดับแร ก, ก, กความทุกข์ท่มีลักษณะเช่นเดียวกันเมื่อความทุกขความทุกขนี้เป็นสงสันอันที่จะเป็นเพื่องขับดันคาราค า, าทาี่เรให้อเกิดไปได้เพรนนั้นหลักความคิจึงเป็นหลักใหญ่ของการดำเนินการผูกนื่องจกเป็นนักปฏิบัติถึงเป็นนักบวชจึงเป็นแ ค, ค่ส่วนเรื่องความคิดที่เราต้องมีเป็นการเป็นวิสัยทัศน์ของผู้ชอบเกิดไป เพราะเพศนักดลเป็นเพศที่จุดของนักดุลไม่ถึิฐานในโลกโขนไม่ดีไม่โก๊ะวดแต่หาต่อเนืนนอน่องต่อไปาเป็นมีก็เป็นมีดีดที่แหลมคมจะอยู่ในปากเก็บได้ เ, รเรลืนนเอาาาราถึงการงานพิการตได้ตัอะไขาดมันได้รับปะโยชนทุกที่ที่มีอยู่นั้นเป็นเครื่ อ, องมือทาง มีความรู้ของผู้มีอำนาจตามหลัของพุทธศกสนาย่อมเป็นความรู้ในฝักย่อมเป็นเพศที่นามำอยู่ข้างันแสดงอองมาข้างนอกก็กลายเป็นของนังสมุทรที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เียกว่าผู้มีธรรมรับาลคือเครื่องป้องกันสูดย์ะอยู่คนเดียอก็มีความสะดวกตา จะเกี่ยวข้องกับมืเชื่อนก็เป็นสิ่งหนึ่งนึ่งของตัวเอที่คัญแม้จะจากก็เกดความอะไรคิดถึงเพราะอนาจความกับของกลุ่มทั้งกายเราต่การนั้นเป็นเรื่อนมือจิตใจที่จกติซึ่งมีความรู้สกดีเพื่อเพือนยกไม่รักจัดระเบียบเป็นหตุใหมีความคิดถึงอะไรมีสี่ท่านที่มีความเป็นเพื่อนก็างเดียวกันมีความคักศุ ภุกคตุจะไปที่ไหนก็เป็นสิทธิ์เป็นสิท์จะอยู่ที่ใดก็เป็นเพราะที่มีทรรเครื่องต้องการฉะนั้นธรรมเครื่องมี่ลุ่มเราผู้มีธรรมเครื่องต้องการอยู่เป็นเปรตที่เย็นแบบเงลิดเพลินแม้อยู่เพรียดไกลที่จะเย็นนิบัติเพตนิบัติเพตนิเป็นี่ต น, นิ อ, น อ, น อ, อยู่และเขาอยู่ร้านยาใจเย็นคนอื่นขยันเย็น ที่กล้าเข้ามาสืบราชกร่าของเราก็มีความยุ่งเหิงรมาดาัมากเริมทกอยู่สามีรรยาจะมีการคละเบาแคลงกันอยู่พอพูดการถึงวั่าถึงคู่ถึงอาการแย่เรื่องนั้นก็กระสอเกินไปใจโยงขึ้นกล้าเข้ามาสืบาชก็รเราะกเป็นสถานที่อยงใจเขอยิงยิงจะตั้อักตั้งทำของกระจัดของีอาการจะนขั้นสองน สิ่งางๆก็ย mm. ัง to totally okay. ไม่มีความรื่นเดิงใดๆเพราะเทจนี้เป็นเพจนิสายใจของประชาชนชาวพุทธ้องเราอย่างมั่นคงเป็นเทจนที่วักาเป็นเพจที่ัยเพื่อที่จะเป็นเทจนิสัยนั้นเป็นเพจนิสัเนื่องจากมามาจากหลักธรรมของพระพุทธศาเป็นหลักธรรมที่จกดต่อมาแล้วโดยตู้และโดยสุขยอเจนที่เจ้ของพุทะก็ามารนา ขานเรือนแนีก็คือผู้ใช้จาายงดไม่สุจริตประกาศชำระค่าจึงด้ทำโดยสุจริตเสมอจกโฆษณาคุณค่าสิ่งผู้อ่านี้ท่านควรได้ดูช่วยจิตใจที่คนเข้าสุจริตทำยิ่น้อมจิตใจที่คนเข้าสริตทจิงจ้าคุณคือคนที่ยดนแม้จเป็นคาราก็อยู่ข้า th งห at นึ่งกเพื่อมีธรามเนียมากน้อมเย็นไปหมดเพราะธรรมชนี้น่าเด่นดีเ่นมากเลยนี่เป็นคาราชหน้าหนุ่มนะครับคือธรามเยี่ยมไป อยู่กับใครคนหนึ่งมวักธรรมเพื่อป้องกานตัวเราก็มาเตินใครก็ริดก็เติมตัวึี่มาเกี่ยวข้องกับการความคิดนะศึกษาและรับการศึกษาข้างในทำความสมใกตัวธรรมะเพื่อป้องกันตัอยู่วันไปวันหนึ่งวันหนึ่งเพราะมีธรรมะเพื่อปองการตัวสมอใีความมาระรังเงียมสงเป็นเพื่อต สูงในโลกนี้และมนุษย์เราเป็นผู้มีคุณค่ารเทศนี้สป็นรเทศทีคุณค่าธรรมะแล้วก็วิปการเป็นสิ่งที่คุณค่าเมื่อนำธรรมะเข้ามาเป็นเครื่องรักษาตนเราก็ตอบแานนั่นคือกตสามาแตะทั้งวิการงานใดๆมีธรรมโลกบาลมีศรัทาเป็นเคลื่องชรุ่งตรืต่อสิ่งที่ตนเป็น กล้าสารกับสิ่งที่เกิดเป็นปแต่ขยะที่เหลือในสิ่ที่จะเป็นโคกอยู่ข้างหด้าู่ที่หน่วยตัวมีทันเทียบว่าเป็นทางโลสุราสองข้อสองข้อเดียวกันคือเรื่องทางส่าจกงยกินใดจะเป็นโคให้่เป็นกระดุกทางกายก้อมกล้าทางวาจาก็ไม่กล้าพูดออกมาทางใจก็มกล้ากระตุ้นทุกข์ต่อไป เพราะคิดใจสิ ario, men, Yo, bueno, usa, la la la ่งที่มเป็นประนและยงกทำควา่วร้าต้องการสรโทษให้มากน้อยเ่ารนักีงมกล้าแต่ทาแต่พูดแต่พิในสิ่งที่มเป็นประโยชน์และจให้โทนักโทษละขัดความรุ่เรองตัวชีพาหนึ่งเหนืจับตัวกายมากคือ่ที่ไม่ดนไม่น สิ่ี่ให้เกิดการทุกข์ความรนั้นเป็นมกับแพน้าเพงเราเห็นลอยเช่นเสือโต่างนี้เป็นตัวผู้อีกัวเสือเสียาค่มองเห็นลอยหรือยังไม่รู้เาบอกว่านี่เราเสือตัวร้ายนาดขรุขะแม้เราจะไม่ทราบว่าตัวบาปปรวีที่เราทำาลัทเจ้านจะทิ้งมาถึงตัวขอ ซึ่งจะต้องรับทั้งความสุขทางกิตใจเป็น่น้าคือว่าทกนั่แน่คือุบาปกระดอนตกการจะทาเพื่อให้เกิดความทุกข์นั่นแน่คือสาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์คือบาปตื่นมงคลอุสงค์ของกุกคือความฉลาดฉลาดเกาะพยัญชนะคืองามความทั้งทางกายทางจิตใ ในเรื่องหานที่การควด้านนี้เเป็นอนุภาพทแบบและมีการกะกระแสนิสนะผมประโยชน์ในางามมีนจุเป็น่นน ใ, นนนในเรื่องการสถานที่พอทําด้านี้เป็นทารแบบมีจทีกคื อ, อคามาคนหน้านาวรอยจะทาความสุขใหเกิดมีแกตัวราหากว่าโง่ยางจะทาอะไรไม่สำเร็จ ไม่ว่าจะทำดีผมจะน่าสนนสชาจะทําชั่อกรงีติมเตมเพราะทางโน้นย่อมจะไปทาต่างเสมอถ้าป่อยไปทางต่างแห้ล้างทะเลมันมีฐานที่เลงทะเลที่อย่้น่มันทเครื่อง้องกันตัเพราะนั้นเราพยายามให้มีทำเครื่อง้องกันตัวงเราเสมอ้องกันทางการทางราคา ทางควาธธมดาิดทำอะไรเการเพื่อการเพื่อป้องกันตัวฐานอะไังนมีเลงค้าอยู่ามากแมอจะพูดเกี่ยวเกี่ยวข้องกับจิตปิญตานี่เมื่อจะย้อนเข้ามาผูองกระป๋องสำหรับใจของเัา ในของเราที่มีทางฟุ้งเฟ้อเสริมขอความรุ่งเหือ็จะรอดให้งตลอดเวลาคือใคือใาราดพยาเพื่อฟ้องถังถ้าติดก็ไม่หยุดทางจะพยายามติดหัดดับแดงไปเองหรือขั้นกางสังหัข้ามติดใจของเราไม่คิดก่อนรู้จึกจะรอดไปหรือว่ามั่นตัวเราจะ ข้องทางเพื่อที่จะเป็นค่าสตราอิสรภาพได้ก่เราก็ต้องเป็นขที่จะดงขึ้นมาต่อคู่กรรมแบบเราดุพันธ์รผมอยู่ทงการรังสรรค์การดูดคือภ <'ll> ูกรใชจ่ายนจิช so so ุกการใช้จาเพื่อข้องกันตรงกันทามีธะระดระลัเช่น เรานั่นกรรมฐานตะกติดใจนี่แหละเรียกว่สาสร้างเครื่องป้องกันตัวสมรรากิตใจจะคิดออกแน่นหนาข้างห อ, ส อ, นอนักาต่อมองเห่นผลดีชั่วของจิตอยู่เนมอจิตยอมจะยอมจำนำต่อสิ่งที่ชอบัำไม่ฆ่าจะสืบกันแม่จะสืบก็นั่นต่น อ, อ, อไม่ข ออยอดก้าข้าสูในในในสา่ความเมนยกันนะกลายเป็นไสมาธิมีความยุ่งภายนตัวมีคือมีเครื่องป้องตันเป็นกสมสสาธิเป็นทางเครื่องต่อต่องางตัวเฉพาะจดนี้ใ้ิ ท, ที่มีสมาธิ ย่ามีความเยือกเย็นนักแข่งเดือดร้อนยืนยาวเหนื่อยกั่นกับเรามีผิดพลาแม้จะทาการทางานก็ทำงานถึงเวลาเหนื่อยร้อนก็ต้องมาักผิดพ้งหันี่เราไปเริทานเพื่นจะร้อนแต่รองเท้าของเราสวมถ้าการรอนเราต่งทำบนนั่นแหมีแดดแกลเขา ร่มนเพื่อการแดดก่ลฝนตกลงมาจะให้เกิดความหนาวนิตรี่ร่มกลางขอมผู้เดินทางควรรอดะความกระดเพราะมีเครื่องอตาเป็นรบแอบตู้ที่ไม่มีเครื่องกล้องการรอดะความเดดตอนทิ่งที่มาขังผาจะเป็นด้อนขาากกว่าการด้อยข้าบนกว่าผนตก มลาจุดข้อตันจนมีแต่ควมไม่สบายใจเพราะขาดเชื่อม ข, อข้อกันติดในเวลาเดทางจิตใจก็ต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนาเรามาไล่ตามเข้ามาจะมีแะ่ชัว่วมีแต่ร่วงที่จะทํามจิตใจที่รุ่งหรยยอดกระจานชื่อว่าสิ่งที่มาสังสารแด้วจะเป็นเส้นเดียวกับวัตถุดินทางถูกจุดข้อตันไม่ควราเปนที่ของต อารมณ์ของใจจิตเป็นประจันยัขากรรมตลอดขอความเดว่าวในแต่ตัวนี้แต่อารมณ์ที่เราดังขั้นเช่นอารมณ์ทเกี่ยวกับธรรมะดางขั้นให้จิตอานใจให้จิตทางานกับธรรมะนัยอดเป็นอารมณ์ที่เดืเชนเดียวกับเราสวมหน้าตาแบนี้จะหักขั้นต่อกาแต่คุณขั้นเราขั้นมีจนีวกอยู่ คู่่ากับความหัถ้าถือร่มก็หนักด้านแต่ละคู่ฆ่าตงกันการปกคนก่อการก็ะโหรือการรักษาติดกัด้วยการต่อแต่ก็แม้จะมีความยากํำหากบั่นเกาะคู่ฆ่ากันเป็นอยครับกายที่มีคำนัดเพื่อก่อกันเพือรักษาหมุด ย่อเป็นใจคิดคิดอะไรออกคิดด้วความใจดุทาอะไรก็ทำด้วยความใจดุนั่งดุก็ยืนนอนดุก็ยืนจะเดินเดินไปที่ไหนก็ดุสิ่งที่มาเกี่ยวข้เมื่อใจของเราดุแล้วก็ม่ทาความเดือดร้อนกันหนีเสียใจมีควาเคื่องกองกัรขั้นสุขภาพ ในขณะเมืกอครั้งเราก็ใชัญญาในสมาธิขั้นนั้นๆตามขั้นแห่ัญญาที่เกิดติดแนบไปกับสมาธินั่นเองปัญญาแต่ละขั้นลขั้นและสมาพิแต่ละขั้นเราต้องเป็นธรรมเครื่องป้องกันตัวนั่นเองเป็นขั้นข้นของสมาธิและปัญญา เม right ื่อเรามีสมาธิเป็นต้นคุมทางนี้กันเราจะประกอบการคิดผ่านยากรเรื่องการออกทางใเพื่อเห็นตามหลักความจริงของโลกที่รวนความจริงนอย่างสมบแล้วก็ควมมีทางจกที่หนึ่งให้เห็นตามหลักความจริงของสินั้นนั้นแไม่ว่ากว้างหรือแคบไมว่ารารไม่ว่าจะเป็นส่วอดีตอนาคต ทวามที่ปฏิเสธได้มากก็คือนความดีด้วยกันถ้าปัญญาได้พิจารณาตามหลักความจินี่ย่อมจะเห็เหเห็นผลรการทาการรู้องตจากสุ่นั้นๆนั้นเท่าที่วแต่ปัญญาจะอาเองคว่าปัญญาเราเป็นทุกข์อยา เหนเราไปเห็นคนตายหญิงนัองนั้งมาธิอยู่ของเราเรื่องธรรมนี้เขากับเรานี้นม่มีใครจะมีน้ำหนักที่กว่ามนเท่าเขาตายนั้นหนึ่งน้ำหนักกับตายนั้นหนึ่งจะเท่ากันกับว่าตันนั้นแต่นั้นก็เป็นการชันสูตพเป็นเรื่องต่างหากากเราไม่เห็นความชาญกันสูตรของเราจะไ้รู ดูป่าท่าก็ตอบเพื่เป็นอย่างนี้ก็ได้ึ่งญาติโอนะดิโกน้อมธรรมะตัวของว่าจะเป็นเค่นี้เหมืัถ้าจะดูป่าค่านเป็นป่าค่าที่ธรรมราของป่าค่าที่ดุจะมีลักษณะตางๆท่้งตาป่าท่านเคื่อนกาวเตนมในปาทานมาลักษณะของผีตายที่นี้อาการต่างๆนั้นจะเป็นเพื่อนเตือนเราได้สติ ว่าตัวขเราก็มีลักษณะเช่นเหมือนกันคนการเรื่อนต้นต้งเป็นอย่างนี้พรัะนานๆไหลายชั่วโมงังมันก็ก็แปรสภาพไปเพียงเยวแบบหรือการมีสัมผัสนี้ความแปรสภาพเป็นลำดับหนึ่งเรื่องจากการกายการมีน้ำมันลายหรือการต่อการหายเกิดกรผลงตเราทำมาติดตัวตลอดมีคุณประโยชน์เป็นกันคือจะมีทักษณะเช่นน ไม่ว่าต่างประเทศไม่ว่ามนุษย <đ nominations. S 2> ์ท่านหนผมคิดท่าจะต้องเป็นีริงก็ยัองเราที่มีกามชุเซื่องโดยดึงเนื้อดึงผิวนึงอายุขัยไว้อย่งัวเองก็จะมีทางยากๆต้องด้จยกัท่านตวเกิดองหาที่คือเวลาของเราท่านทุกเผยถ้ามันมรอะไรจะทำเ็ม เมื่อมีปีนเข้ามาโรควันไดเกิดขึ้นก็กระเทือนให้กระโดดกระวางในข่างลังจะเป็นเวลาหิวก็ตามเวลากระหายก็กามเวลาหนาวมากๆก็กามเวลาร้อนก็ตามนั่นแหละเราจะต้องหาที่ตราหาที่อื่เวลาหิวจะจาเก็จะต้องหาอาหารมาครับอูเป็นความจำเป็นของเราต่อหาเึื่อเวลาไี้ก็เป็นที่พึ้นอันหนึ่งกรหายมากๆ มอหนท้องหักหน้าอาการผื่นหนามองฟกมีหยดแม่ใดเดินแดร้อนๆเดินตามทางแดดร้อนมองเห็นต้ไม้ส่งที่เปลี่ยน่ีแบบสถานกาลนไปมีใจเราเนี้สิ่งที่ใหน่าสนใจปากตขึ้นเนราเป็ูภาพของต้นทางสากาขอย้อนภาษาเล็กๆเราว่าจะเป็นอย่าง เมื่อเป็นนราจะอาหาอนสิตไปว่าหามาการน่นหละคนที่สนใจในการให้ทานการนักษาถืการเจริญปรมานักเข้าไปยังหน่อมและให้ทานเรื่องความถือการนักษาถือเรืความถือใจแทเนตรตาภาวนาเรื่ความถือใจเพราะมีสาเหตุที่เราได้พิจารณาแล้วหลงใจว่ายังไงก็มาพ้นจากเรื่องของเราในบาเราจะต้องเป็นชนนแ้วในหลักของเรา ที่จะหาฤทธิในการเป็นในการต่อกนั้นเราคิด่าข้าวั้าวที่รานแต่จะเสียเช่นแบบที่เราหนีการที่เราจะอาศัยอาานงานจะเป็นถ้าเรามีน้่ก็จะเกิดมตัวต่อเหนือหาที่เป็นเรียกกลมจนที่ตกน้ำพอตกน้ำลปั้นนั้นก็ไปค้าหาที่จุดแน่ที่จุดก็มีอะไรตะกบหาือรองสามสามนาา แต่กัวแต่งัวภาคสืบประการตามเวลาปกติแต่ในเวลานั้นหย่อาสุถ้าภาคสืบมาเกาะพอกับตันชีสกัแล้วเราไม่ต้องเข้ากับท่านในศาสตร์อีกเลยเพราะชีสที่ด้างมากว่าข้างตัวเขาเอนั้นเรื่องกับการตัวก็ตัวตา่เลยเพราะบางที่มากระจาอยู่แล้วจะเรียกสับเพียงเพราะเกาะชีสนี่ไงกายของคนเราก็องเชื่อมโยงกัน โดยที่หาทำใ้เพื่อน้องใครเสียสําหรอยากเสียในเร่องเวลาลงขาชายานใจบงหนึ่งกันิีที่จิตใจของเราเรื่องขานไปคืก็าวต้มต่างๆผ่มชาัานไปขานไงเมื่อขานจปเป็นเสียไม่มีเงินเหลือเสียมากขึ้นขาหน้าชใยทุกเปลกที่อยู่ในตัวของเราจากการจะมีเป็นน้าประมขใจแะการจักภาพเมืองของเขาส่วรหลักทีงเราที่ยึดไว้เป็นเพนคือสังับเป็นคู่สมรสกันนะครับมีเทไร าจะต้องสใจการใส่หลักนี้กาเล่งมีโมก็้องนอยู่โยงความมีการจะดินภาวนาท่เกิดิดีการหลักใจตัวเองข้นมหลักใจเสียก็ใส่เวลาหมดความมีสมบูรหน้าใการเกิดหรือการที่เกิกับองู์มีเส้นจริงจนหาทางแก้ไขไม่ได้แล้วก็จะมาพิจารณาหมกัเส้นเดียวกับุคนผู้ศิตราเวลาโเป็นนำงใหรื่อมีเกิดไม่นสังขร สุภาและให้ทข้อใยอดความเชื่อแต่พอจะมาดูก็กล้าได้มากพให้ขังได้ในเรือการจะไปใช้ใช้คำเรียกนะไม่มี่านอกจากจะต่อให้เลยกรทามเขาที่ไม่ยอมเชื่อกันนะนี่ใจถ้าไม่ยอมเชื่อทาไม่ยอมเชื่อการประโยชนเนั้นการทั้งหมดที่เราไม่ยอมเชื่อที่เราทําการเรือทไม่ยอมเชื่อการนั้นก็ต้องเป็นนั่นง ไม่ได้าวไทยปลอดไทยทำเองทำดีทำสวยทำสวยผลก็เป็นสุขเป็นทุกข์ตามกรรมที่ดุจกฎตามกุห่า้ในรัียตอบตรงนั้นตอบตรนี้ก็ท่านชาวพนันชาพนันทของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่รรมถ้าหนันสือไปที่ว่ายามใจสกเข้าไม่ชอบอาการกนี้การเชื่อมการพยายาม้างหาเครื่อป้องกันตัวด้แต่่ให้รู้ตลา การจมหายทุกคำนอนจับนอนันในคิตนอนใจในไว้นอนันในความรู้วิชาที่เป็นศึกษาเรายังนอนสุ่มนั่งกรรมนั่งอะไรแต่ให้เด็กขึ้นนอนจับนอนใจในความนั่งขั้นสมบูรอนใจนความทุกข์่อความสุขากับเราได้หรืาม่นอนทุกนาทีเป็นเวลาึท่นั้นแต่การจับใจนั้นมันแปนปีกหน้าเพื่อเกัดร้อนหรืหนาวหมกันสมอจักร้าเพราะฉากเปลี่ยนไปฉากหนต้อง เงินนับผ่านไปรื่องต่อมันถูกผ่านไปทุกก็ต้องนับแก่ที่ถ้าตัวของเราแต่ละคนละคนที่เราแต่ละดวงมันอยู่ในในเหมือนกับเขาที่ควรเราดูง้ายหรืหนักูไม่น่าเพราาของใจึ้นในดวงย่อมมีเสมอเนื่องจากการที่ดน้าอย่างน้ใจทีเป็นเจ้าของแห่งการเปตรักสุเานอกจากต้นจากสนารที่ สิ่งทเป็นเพื่อเห็นธรรมเงินจากใจนแล้วบนา่นจะเป็นในเชิงปริยาติขออะไรก็คงที่จะสามารถเข้าใกลรคือพื้นฐานกจนั้นย่อมเป็นของันจริงจัทั้งหมดนี้เรื่องความแย้มยุ่งกัญญาการใช้เครเพื่อหาหลักอันดีให้เนและ เป็นคันเพื่อนต่อการดุเมื่อเราตอบปัญหามนได้มากน้อยเป็นเพื่อนต่อตัวคุณในปัจจุบันนี้เราก็เรียนกันเพราะผู้อื่นึ้นอย่างที่เป็นสิ่งที่เราไปจัหาแล้วได้บางของไม่จำเป็นที่จะใจเลยและโลกหน้าใครเราจะเป็นผู้จะเป็นเจ้าของหน้าใส่เธลื่ทำดีที่สกดขึ้นก็คือเราเองเมื่อเป็นใจาลเราจะคิดแตถึงโลกหน้าบ้านหน้าแล้วก็หมดต่อน เข้าปัจจุบันนี้เป็นทุกขก์ถึงใจแล้วก็คำดีทุกส่นทุกอ่างไหมหรือว่าถ้าเรามีคํามเครื่องต้องการใจอยากหรือแรกสัญญาขั้นอิจการนั้นเป็นสัญญาขั้นเริ่อต้นให้เราได้เกิดความสนใจ ต่อผู้ผลัครหรือต่ที่คนใม่แน่นอนคาืึข้จัญายุกเลือเข้าไปยื่นตอนนั้นเลยสหรักผู้ที่มีหน้าที่ตัวผูตัและเลขที่ิติารณาสิทธิ์ที่กล่าวมาด้วยนะแจะจำใจก็ยื่นข้อหลักแน่นึมีความละเอียดแยกการจัดทุกที่การณ์เข้นนเาไปถึงหลักความผิดหากฐนที่เกิดขึ้นมาแล้วถ้าหลายเป็นใคก็เป็นความผิดอันนี จิตที่เป็นเจ้าของภพของชาตาพอกาหนดตกวขึ้นอืนมีการฆ่าอรือสุขแห่งสุขผลด้วยหน้าเกษตจิตนี้จะถอดผู้ี้เอาวนขาดหลงฐานขึ้นามตาหลงหลัาจิตก็จะได้พรีนมาถึงโคตล้องตนานแต่ค้าไม่ยอมตกตกหรือเกิดเครื่องไม่มีวันชนะการเจ็จที่หน้าเมื่องที่ทั้งพันทุกข์ทุกแห่ง ทั้งโมกเขายาลเกิดเรื่องเวาเขามีผู้ยามาทนันทำนักเป็นเรื่องเมื่อไหร่ันออกันนั่ง่าไม่ยอมลงกันะก็สขถึงอังเกอร์อังเกอร์่เทียยังไ่ยอม้สารสารต้มไม่ยอมข้ารตกอนยังไม่ยอมขี้สาีกาเป็นกันคนสุดท้ายเขากำลงเกดกัน จกเลยไปรในไหนยุทธจากทารข้าลอะรตอนนี้ธิกานมสุดก็เลยใครแกุลาอะไรเรียกว่าดีมาก็ไม่เลยจากหน้าหน้าม ah ุมิี้ิใครจะแท้ใครจะชนะเรื่องานแบถึงไหนก็รู้ติดกันเลยที่ไถ้าัวโครทหารขีตกถต่างทหาร ถพบจะตระหนักทีก็ต้องมีจิตกันลงทีนหนักา้าถึงเสร็จจะวาเลยถ้าผล่อะไรอยู่นะมีทางวิจิตรถ้าเป็นตุกครามก็หลังตุกครามกันอย่างนี้ใครจะแพ้ใครชนะก็ต้องแค่นมีทางวิจิตกันได้ด้วยกันเราจะเลื่องทห้เราคิดๆคิดๆคนที่ติดต่อเราแต่ตัวเองจะตระหนัก เราจะทาอะไรนั่เป็นเพื่อนกันนอกจากอาญาเป็นเพื่อนที่ดุดีเชื่อทุอเรื่องตัวเองตัวไหนหนักส่วไหนาส่วไหนดีส่วไหนแั่เรต้องยึดถือตัวองให้เดือเราอู่กับตันนองแต่ข้อย่างนี้ผู้ปฏิบัติในคำขั้นอุดเรื่องของขังขามทีกตรงกแต่ละครั้งถือว่าเป็นเรื่องสหรับเราผู้ปฏิบัติก็ต้องยึดใช้นส่ของเรื่องแต่เรื่องทุกเรื่อง ขันยาหมาจระเข้ทั้งขายกรุงเลือะไระเข้ธรรมดากรุงเรืองก็มีเรือดทางในเจ้าเลือดเรือดไม่สงบต้อเจอเรือ่องเมื่อแจกกใครเลือดสงไปสงบไปเป็นลัมมะคเือดมามาจากที่ไหนยอดักไก่ยอจข้งถึงต้นเหตุของเรื่ดองดันั่หล ผูกสรางกรรมที่ใดผู้สรางตกสร้างขาดต่ที่ใดผู้แกจแก้ตกแก้ขาดแก้กรรของตนเองก็คือปัญญาที่เกิดขึ้นจากใจวงรูที่หนักที่ไดนานได้ใจที่หงคิดไปได้อขบางสังางั้จนสามารถรู้ทั้งความคิดควางต รู้ทั้งฐาที่เกิดแห่ความคิดความปรของใกได้แต่โัวของเเองแบบมีอะไรเป็นเครื่องถักการให้คิดให้ปรุงให้ก่ออารมณเกิดขึ้นมาแล้ให้เรานาโงทางในความคิดทางผลเองตวเองนอกจากนั้นยัเกี่ยวข้อกับอะไบที่ไม่ัญญาสามารถเยียดออกจากหน้าง องถึงรน้าแจ้าของจิตถ้าเจอของจิดถ้าเจอธรรมะข้าพิมารณาเหนือการทำที่ตนรอดใจว่าสร้างของแชเป็นที่ ครัตัวยังดีกับสุกจุดนี้พิจารณาจุดนี้ให้ชัดเจนเล ย, ยเรครับเมื่อเราเข้าไปอยู่ในตรกนั้นปัญญาจะมีหน้าที่ทำงานอย่างเต็มที่หากเราเข้าไปไว้ในจุดนั้นแล้วปัญญาจะไม่สามารถครอบนงนตนเป็นจอยสัมผ ผู้ปรากฏแล้วให้เป็นเหมือนสัมพัทะรัตธรรมทั่วไปั้งส่วนอยากเกิดการเกิดเองเทเจนาสัพพะนั้นเพียเดียวกับสัาพะรัรรมทั่วไปตัณญาก็มีทางเพื่ที่จะเดนานั่งจิตเห็นกันได้อย่างแท้จและขาดหรือลอยจากใดอยากใดใหไมีสิ่งใดจะเหลือหนึ่งแน เือว่าเขาก็คือธรรมชาติที่ปรากฏขึ้นแท่ได้สลาับกันหรือแลแต่ธรรมชาตินี่ว่าพกสิ่งตัวอย่างที่เคเป็นข้าศิบของใจได้บังคับหมดแล้วธรรมชาติที่รู้ว่าสิ่งที่หลายแบบกันนั้นไม่หลับด้ คูม่ัด้วยนีเลยจะนับริสุิ์ก็คือคู่นั้นนั่นคือการคู่ใดที่เป็นคู่บริสุทธิ์นอกจากคู่บริสุทธิ์นี้ก็คือความหลงในกระแสจากประโยเมือกนักทของปัญญาที่เกิดกปรตโยชน์แฝงใสู่้ก่อเลือกต่อกานั่งเฉยการ ข้งหมดเเรื่องการละถ้าทางต่างๆนานาที่เกิดขึ้นจากตัวเองข้อหมดนิติธรรมนรงยามีเยกสารจุดยกแห่งโคหรือแห่งใครเรื่าดนารวมอยู่ที่จุดนี้การสิงจำในจุดนี้นะเป็นกนลังหมดทางที่ด้อุทอรณ์ ทิ they That they about ่เดชจะมาดุจความศกต้อมีที่เดชคนใดจะมีชีวิตอยูรก็ะอยู่าในให้มารบกวนธรรญาที่แท้ที่เดชต้องเป็นันมากางแค่เพียงเดียวต่างกับผู้ผู้ที่อย่างนั้นแ่เพียงเดียว่างกับจู้ที่ต้องการ หรือบันดที่ขึ้นเราอยู่มากโมฆะเราเราฆ้าขึ้นมาตามบันไรเมื่อขึ้นถึงที่แล้วบันไดก็หมดตั้งหาจะมีอยู่ก็ตักเท่านั้นก็ขาดแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัญญาปัญญากับใจที่บริสุทธิ์ก็จังเป็นสน่งหนึ่ง ไม่ถือเราว่าเป็นปัญญาไม่ถือปัญญามาเป็นยาไม่ถือสติว่าเป็นเราไม่ถือเราว่าเป็นสติไม่ถือสมาธิเป็นเราไม่ถืว่าเราป็นสไม่ถือเราว่าเป็นสีไม่ถือสีว่าเป็นยาทราบคาว่าเป็นเครื่อเป็นเครื่อแพ่เป็นธรรมเค่งป้องกันหรือแกร่ใส่สิ่งที่เป็นยาเมื่อค่าจสรได้ดับตกันอย่างนี้เพรื่องมืก็ต่อร่างนม่ใช้ ในฆาตเป็นกระดูกขนาดเล็กต่อต้านประกอบฆาตกำลังแต่ไม่ถือว่าเป็นเหตุอาู่ขณะนี้เราจะจะททั้งสี่นั้นไม่ใช่ธรรมชาติทีท่เแต่เป็นธรรม้าทุกหักไปก็รู้ดับไป ก, ยไปกวยก้องการปุบานนั้นแท้คือต่างหาคุกเกิดขึ้นมาก็เหตุัดเหตุที่ให้คุกเกินดนัแท้คือส ม, มุท ได้ดับไปแล้วโดยสัญญาณเป็นท่านๆของกิเลสและปัญญาที่แท่ซึงาตที่ดับไปแล้วถ้าเรียกไม่ได้ว่าใจค่ดเป็นห่าสุดคือกิเลสดับไปแล้วผูท้ที่รู้ว่ากิเลสดับไปคือเราน้าไม่แพ้กับแต่ข้างสิ่แต่เป็นค่ายน ม, มจากแต่ข้างสิ่วผู้ที่เลย อยู okay. so ่ในขัานการตัดกับขั้นตีแย่ไม่เท่กันนี่แหละเรียกว่าผู้บริถ้าจะเรียกต่อเรียกว่าู่บริุทธิ์ัไม่เรียกเพาเป็นภาษายเพราะเป็นความความตัวดีแลวในหลักธรรมชาติไม่จำเป็นจะต้องเป็นใจเสริมและกันเลยก็จะผิดความขอบุตรของธรรมชาติในการพูดคำารอลวงหรือคำเพื่อข้อทาง กองการส็นักผู้ปฏิบัติหรือเป็นโลกพวงงานรักษาผู้ปฏิบัติมาเป็นขั้นๆจนถึงขั้นสมบูรณ์ทั้งหมูด้วการรัทั้งหมดนี้จะนอกเหนือจากสมรรถนะธรรมที่พระพุทธเจ้าประทานั้นนะโดยรังควานแล้วไม่มีผู้ใดจะถามารถขาอึ่งบำเพ็ญตนเองโดยไม่อาศัยหลักธรรมนั้นไดแต่รุกท่านโดยสุดท้าเมื่อเป็นางนั้น ก็ะพุทเจะาสามารถเปนที่กล่ามากของโลกทังสามได้ทำมากจากเรื่องของพระสูตแ yeah, yeah. hmm. right. ่ละเรื่องแก้โรกให้หมดเรนหมดภัยไปถึกานั้นจนถึงหมดัวแก่ติิดไกระโดหนักองทั้งทกที่จะมิิแก้หาโทษการบุตรคนทุกุข์าดาสุดนั้เคื่อคือหลักธรรมของพระพุทจ้เมื่อการประบิปฏิบัติทองตน จะเป็นอำนาจรายได้ครอบครัวพัฒนาการลอดไปในะยะนี้เป็นเพราะว่าประเทศเราต้องการทั้งการพัฒนาสังคมทุกภาคมีความเจริญมีการคิดค้นกำจัดปู่ผู้เป็นที่แข็งแร่งต่างๆในทุกระดับความประสวค์โดยทั ขึ้นเพิ่นขึ้นไปไอรู้ตัวอันไหนควรละอายอันไหนควรกลัวสิ่งที่ควรละอายสิ่งที่ควรกลัวอันนั้นคือทำให้ตัวเองเป็นบาปตกทุกข์ดยอดควรกลัวสิ่ง น, นั้นควรละอายสิ่ง น, นั้น ถ้าไม่มีความจำเนึกอย่างนี้กายการกระทาบาจาคาพูดแนวคิดด่า ง, งจิตการจิตใจ น, นั่นะมันจะไปตามกระแสรรของกิเลส ข, ของตัณหาพาชิดพาทำพาพูดมันกลายเป็นบาปถึงกรรมถ้าตั้งใจฝึกปฏิบัติยกฐานะจิตใจให้สูง ด้วยส ต, ติด้วยสมาธิด้วยปัญญาจิตใจดวงนี้แหละมันจะเข้าสู่ความบริสุทธิ์ได้ฉะนั้นความรู้ที่ท่านเอาผลจากการฝึกจากการปฏิบัติถ้าฟังที่เนตพิจนาในเนื้อธรรม ขั้นสูงวิถีเจตยอยู่ในธรรมเหมาะสมกับธรรมขั้นสูงฟังแล้วเข้าใจเข้าใจเข้าใจเหมือนหลักวิชาการทางโลกสอนเจ้าพวกเด็กป .1 ป .2 กำหดับวิชาการของปริญญาตรีทรอเอง ความหมายมันเป็นลักษณะคล้ายๆกันฟังไว้เถอะจุดหมายปลายทางจะระดับไหนคําสอนพระพุทธเจา้าสอนจุดหมายปลายทางคือสุขสมบูรณ์สมบูรณ์จุขก็คือหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้นั้นคือมรรคผลมิพาน อันนี้การศึกษาการฟังการฝึกอาศัยกิริยามรารยาทของพวกเราเป็นเครื่องแสดงออกเป็นส่วนประกอบดีชั่วผิดถูกสารพระขององค์เจ้าทั้งใหม่ทั้งเก่าญาติโยมมาฟังมาฝึกกับทั้งใหม่ทั้งเก่าจำเป็นอยู่เองอันไหนที่ยังไม่เข้าใจก็ต้องพยายามฝึกพยายามฟังพยายามว่าพยายามตักเตือนให้เข้าใจ หน้าที่ความหมายที่เป็นหน้าที่ของพวกเรามีโอกาสการเวลามาฟังมาฝึกมาปฏิบัติเห็นผ่านเข้าใจการฝังการฝึกหน้าที่ของพวกเราเอาวันนี้เห็นว่าพอสมควรเจริญด่เาเลิกเปลี่ยนในบทของใครของเราเอาที่เนี้ยอ่าจะธากราบพระสงฆ์ของเร า, า, ากลาวญาติโยมก็กลาวพร้อมกันก็ได้เอา